มาถึงเรื่องของการทอดกรถินแล้วนะคะเพราะว่าเข้าพรรษาแล้วพอออกพรรษาเราก็จะได้มีโอกาสทําบุญทอดกรถินซึ่งปีหนึ่งมีระยะเวลาที่จํากัดจํากัดอย่างไรนะคะท่านอาจารย์คะ อ, อ๋อข้อจากัดในเรื่องของออระยะเวลาระยะเวลาของการออทอดกระถิน่นก็คือหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาเรียกว่าเป็นฤดูถวายชีวรฤดูทําจีวรเป็นห่วงเวลาที่พระเจ้ากําหนดเกี่ยวเรื่องการทําจีวรและถวายจีวรไว้ ถ้าถ้าจะให้อธิบายความหมายของคําว่าประเพณีการทอดกรินตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาเนี่ยท่านจะอธิบายอย่างไรคะก็คือจริงๆเป็นการ เ, าเปลี่ยนผ้าของภิกษุผู้มีผ้าเก่าค ล, ล้าคล่าเมื่อภิกษุมาจําพรรษาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยไปในสามเดือนก็ผู้เจ้าต้องให้ต้องการให้เกิดสังฆสามัคคีขึ้นความสามัคคีของหมู่คณะสงฆ์ ด้วยการให้ภิกษุทุกองเนี่ยช่วยกันทำผ้ารายจีวรผืนใดผืนหนึ่งหรือทั้งสามผืนก็ได้ให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่คณะสงฆ์เห็นสมควรว่าควรทำให้เขาโดยใช้หลักเหตุผลว่าเขามีผ้าเก่า อ, อย่างนี้ทำให้รูปเดียวหรอคะทำให้รูปเดียวเท่านั้นนะเกินเกินนั้นไม่ได้อันนี้หมายถึงตั้งแต่พุทธการตั้งแต่พุทธการแล้วไม่ใช่ว่า เจ้าว่าเท่านั้นผูกขาดในการรับหลักเหตุผลก็คือว่าองค์ไหนก็ได้ที่มีผ้าเก่ามีจีวรเก่าคล้ำคล้าอย่างนี้ก็ประชุมสงกันแต่เหตุปัจจัยก็คื อ, อการมีกรถินก็จํานวนพระต้องครบด้วยจํานวนเท่าไหร่คะจำนวนถ้าจริงๆเนี่ยโดยพุทธวจนะเนี่ยพระเจ้าจะกําหนดพิธีกรรมอของสงเนี่ยเอาไว้เช่นว่าสงสี่รูปทํากรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไร <c oughs> เช่นยกเว้นการบวชในเขตมัชชิมประเทศตอนกลางของอินเดียเราต้องใช้10การบวชในเขตปัจจันตประเทศนอกเขตตอนกลางของอินเดียต้องใช้5การออกอัภาร์นะออกกะบัตรของอพระสงฆ์ต้องใช้20อย่างเนี้ยนั้นจํานวนของสงฆ์เนี่ยครูเจ้าก็จะระบุไว้ตามภารกิจสงสิบลูปทำกรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรสงฆ์ยี่สิบลูกทากรรมทั้งปวงได้ทุกชนิดทีนี้ทอกระถินนะคะมีจำกัดทอดกระถินเนี่ย มันก็จะอยู่ในเรื่องของสงสีรูปถ้าจริงๆโดยพุทธวจนะสงสีรูปก็ทอดกระถิ่นได้แล้วแต่ทุกวันนี้เราใช้กัน5้ารูปนะซึ่งก็เกณฑพระวินัยมาอ๋อเหรอคะเนะพราะ อ, อะไรคะเพราะคิดว่า4ี่รูปเอาไว้ส่วนงานศพไงคะ ส, <ง> <c oughs> ส <c oughs> มศ <c oughs> พเราสังเกตงานศพจะมี4ี่รูป อ, อ, ค, อคือในหนังสือวินัยที่ที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งเนี่ยเขาเกรงว่าเมื่อดึงองค์หนึ่งไปเป็นผลลัพธ์ะถิ่นแล้วเหลืออีกสามเนี่ยจะไม่ครบองค์สงแต่ถามว่าองค์สงเนี่ย องสี่ไหมมันไม่เกี่ยวทุก <c oughs> วันนี้เรามีความรู้สึกว่าองค์สงคือ4 <c oughs> แต่ถามว่าองค์สงจริงๆคืออะไรคืออะไรก็ได้ตามภารกิจของสง <c oughs> ถ้าภารกิจนี้ต้องใช้4 <c oughs> ภารกิจนี้ต้องใช้5ภารกิจนี้ต้องใช้10ภารกิจนี้ต้องใช้20อย่างเงี้ยอ๋อภารกิจนั้นก็คือ1องค์ไม่ว่าจะมีพระกี่รูปก็ตามภารกิจหมายถึงว่าภารกิจนี้สมมติเกิดภารกิจนี้ต้องใช้10 สิรูปก็เท่ากับว่าคือ1นงองของสงในภารกิจนั้นถูกไหมคะนั่นนั่นก็คือเรียกว่าองสงองสงอ่าใช่ใไม่ใช่ว่าองคสงคือ4เท่านั้นค่ะอ่าถ้าปฏิโม่เนี่ยต้อง4นะถ้าอ่าปวณาต้อง5ออกกับขานต้อง20สบบวชต้อง5หรือ10ดังนั้นประเทศอย่างนี้ประเทศไทยในขณะนี้เท่าที่ท่านพูดมาก็หมายความว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยองคหนึ่งก็คือองค์สงสําหรับเข้าพรรษาคือ5รูป แต่จริงๆในสมัยพุทธกาลคือสีรูปก็ได้สีรูปก็รับกระถินได้แล้วค่ะทีนี้ย้อนกลับก็ก็ก็คือเมื่อเหตุปัจจัยในฝั่งสงพร้อมเนี่ยก็อยู่ที่เหตุปัจจัยฝั่งญาติโยมมีคนมาถวายผ้าหรือเปล่าอ๋อค่ะถ้าไม่มีคนมาถวายก็ไม่มีนะกระถินและกรถินก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ตกค้างแน่นั่นยิ่กรถินตกค้างยิ่งไม่ได้อย่างเลยจริงป้ะคะยังไงคะ อ <ลบ S 1> าณาจักก็เคยได้<า>ยินม า, าบ่อยเหลือเกินว่าคนชอบทํากรถิ่นตกค้างแล้วลักษณะของการทําก็มีการรวมกันหลายๆสิวัดนะหลายๆวัดมารวมกันในที่ที่หนึ่งกรถินเนี่ยต้องทําในเขตเสมานั้นในเขตที่พระจํานวนนั้นเนี่ยจำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นนะแล้วพระในกลุ่มนั้นน่ยก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในผ้านั้นในอาวาสอื่นหรือเขตเสมาอื่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ถ้าทํานอกเขตเสมาก็ไม่ใช่และไม่ได้ ที่บางทีก็ได้กล่าวว่ามีการไปทํานอกเขตเสมาแล้วก็ายกไปทําที่ใดที่หนึ่งแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็พระจํานวนก็ไม่ได้ก็ไปยืมพระวัดนั้นวัดนี้อ่าเอามาทําร่วมกันอย่างนี้อือ่างนี้ก็อไ ม, ไม่ได้ถูกตามพุทธประสงค์ตามพระธรรมวินัยอย่างนี้หมายถึงว่าสมัยก่อนพระพุทธเจ้านี่ไม่มีข้อยกเว้นให้ในเรื่อง คือหมายถึ ง, งว่าจํากัดไว้เท่านั้นไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าสามารถที่จะทําได้อย่างที่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้ได้อ๋อไม่ไม่ไม่ได้ยกเว้นใครถ้ามียกเว้นก็จะต้องบอกไว้ใช่อ๋อคือเป็นการมาปรับเองขอ ง, องคนในรุ่นหลังนะค ะ, <ช>คะแต่ถ้าหากว่าอยากจะทอดกระถินแบบสมัยพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยึดแนวทางของพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์สีรูปกทอดได้ญาติโยมพร้อมก็ทอดได้<ช>และถ้าหากว่าเกิดญาติโยมไม่พร้อมหรือพระสงฆ์ไม่ครบ อันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีได้ไม่ไ ม, มีได้เลย <c oughs> ไม่ไมต้อง ไ, <ด>ไปรวมกับวัดอื่นทำกิจตกลงไม่ ต, ต้องไปรวมกับวัดอื่นหรือไม่ต้องไปบงังคับญาติโยมว่เออพระครบแล้วนะไม่มีกรถินเลยนะการไปพูดเรียบเคียงเพื่อได้มาซึ่งผ้ากระถินผู้เจ้าก็บอกเป็นผ้าที่ได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์แต่ปัจจุบันนี้จะว่าไปการทอดกรถินเนีดูเหมือนกับว่าตามเนีเป็นรูปแบบ <c oughs> ว่าเอาผ้ากรถินไปถวาย <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ทางวัด รับกระถินก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเป็นพระผู้ใหญ่ที่จะได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นพระที่ผ้าจีวรเก่าใช่ไหมคะแล้วการการการถวายผ้าก็ยังรู้สึกจะไม่ค่อยถูกต้องกันเท่าไหร่วิธีการในสมัยพุทธกาลเป็นยังไงคะก็พระจะต้องตัดเย็บย้อมเองนะพระเจ้าจะกาหนดไว้หมดว่าซักผ้าวัดผ้ากะผ้านาตัดเย็บย้อม ทำให้เสร็จภายในวันนั้นอรุณขึ้นใหม่เนี่ยถ้าทําให้เสร็จก็ไม่ได้ไม่สําเร็จเป็นกระถิน<ม>นั้นพระทุกองค์ก็จะต้องช่วยกันเราก็จะมีการเตรียมน้มําย้อมผ้ามีการซักผ้าวัดกับผ้าแล้วก็ตัดให้เสร็จภายในวันนั้นก็จะพยายามตัดชิ้นที่เล็กที่สุดคือเช่นสบง<ม>นะก็<ม>จะเป็นผ้าชิ้นเล็กแต่ถ้าวัดไหนมีพระมากจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่เกิน3ามสามอะไรนะืนสาื น, านค่ะขั้นต่ําสุดหนึ่งและมากสุดไม่เกิน3ายผืนเนี่ย ก็ต้องให้เสร็จภายในวันหนึ่งก็คือก็ได้แต่ผ้าสบงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นผ้าสบงซะเป็นส่วนใหญนะ่ส่วนผ้าชิ้นอื่นเนี่ยที่เหลือเนี่ยหรือที่มีมากเนี่ยก็คือทุกองเนี่ยก็ต่างคนต่างทํากันไม่จําเป็นว่าพระทั้งวัดเนี่ยจะต้องมาช่วยทําให้พระองค์นั้นงั้นก็เท่ากับว่าจะว่ายไปแล้วกุสโลบายในสมัยก่อนเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องให้พระที่มีผ้าเก่าได้ผ้าใหม่ไหมคะ เป็นเรื่องของการเน้นความสามัคคีใช่ใเป็นการเน้นความสามัคคีและเมื่อจะสร้างความสามัคคีและเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้วยก็คือลงไปที่ญาตมีมีเรื่องมีจีวรกับของภิกษุองค์นั้นค่ะทีนี้บทบาทของคารวาะอยู่ตรงไหนคะถ้าอย่างนั้นบบทาในสมัยพุทธกาลของคารวะอยู่ตรงไหนก็คือต้องต้องรู้จักเข้าไปสังเกตสังกาแล้วก็ อมีการน้อมนําไปถวายซึ่งผ้าเพราะพระไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถเรียบเคียงด้วยอย่างนี้นั้นถ้าไม่มีใครมาถวายกระถินก็ไม่มีอ๋อคือเหมือนกับว่าเราเอาผ้าไปถวายแต่ท่านไปย้อมเองไปตัดยอมเองท่านไ่ต้องไปตัดเย็บย้อมถ้าเป็นสมัยก่อนใช่เป็นสมัยก่อนไม่ไม่ไม่ใช่เป็นผ้าสำเร็จรูปไปไม่ใช่เป็นตรายจีวรสำเร็จรูป ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยคะ่ะโลกมันก็เปลี่ยนความสะดวกสบายมีมากยิ่งขึ้นสามารถจะอนุโลมได้ไหมคะว่าอย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ทำได้ก็ก็อนุโลมได้ก็อาจจะได้แต่เราก็ต้องแยกว่าเป็นความเห็นของเราน ะ, ะมันก็จะเป็นเหตุให้ใหใหใหพระธรรมวินัยเนี่ยอ่าเริ่มมีการแปรมีการแปรสภาพไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเราจะพยายามรักษาไวเราก็ต้องพยายามที่จะ อาฝึกตัดเย็บย้อมเอาเองเพราะนั้นพระปฏิบัติของเราเราก็จะตัดเย็บย้อมชีวรกันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วทำได้ใช่ไหมคะถ้าจะทำจริงๆทปได้ถ้าจะทำทำได้เพราะมีเวลาให้วันกับคืนหนึ่งเหลือเฟือเวลาะฉะนั้นก็ก็ได้เรียนรู้กันนะคะว่ามสมัยพุทธกาลการทอดกระถินนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูนะคะวันนี้มีการพัฒนาไปถึงจุดไหนอย่างไร แล้วก็ส่วนท่านคิดจะทำยังไงกันต่อไปเราต้องช่วยกันคิดนะคะแต่ว่าที่นําเอาตํานานแต่ครั้งดั้งเดิมเอามาเล่าให้ฟังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้บัญญัติไว้กําหนดไว้นะคะถ้าจะยึดแนวทางเดิมก็ต้องเป็นไปนในลักษณะแล้วก็ในเรื่องของผู้ถวายเนี่ยไม่ได้จํากัดค่ะมักจะเคยได้ยินว่าถ้าแต่คนนี้เนี่ยถวายแล้วคนอื่นถวายไม่ได้ ในเรื่องของผ้ากระถินพระเจ้าไม่ได้จํากัดผู้ถวายแต่จํากัดผู้รับว่าผู้รับเนี่ยรับได้คนเดียวแต่ผู้ถวายเนี่ยใครจะถวายก็ได้ เ, เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยใครสะดวกจะมีผ้าไปถวายก็ก็ถวายได้แต่ต้องมีการปารบก่อนถ้าไม่ได้ปารบเราก็ไม่รู้ว่าใครจะจะมาถวายเราก็จะเอาเฉพาะผ้าที่คนที่ปารบคือบอกก่อนแล้วเนี่ยมาตัดเป็นผ้ากระถิ่นค่ะแต่ว่า มองในอีกส่วนหนึ่งการทอดกระินนี่ก็ถือว่าเป็นการทําบุญที่ระดมเอาความสมัครสมานของหมู่คณะได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนเชื่อว่าทอดกระินแล้วได้บุญเยอะเนี่ยจริงๆแล้วได้บุญเยอะแตกต่างกับการให้ทานอย่างอื่นมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อก็มันเป็นเพียงแค่ทานที่มันมีจํากัดการแค่นั้นเองนะเหมือนตกพลาดโอกาสนี้แล้วต้องรอไปอีกปีนึงใช่ต้องรอไปอีกปีหนึ่งนี่คือความพิเศษ เส่วนบุญมไม่ได้เยอะกว่าหรอคะส่วนบุญเนี่ยก็คืออ น, นิสงฆ์เนี่ยผู้เจ้าจะบอกให้กับตัวภิกษุว่าภิกษุเนี่ยได้อ น, นิสงฆ์เพิ่มนะเช่นว่าไม่ต้องเอาจีวรไปครบสําหรับนะฉันโภชนะทีหลังได้ฉันก็นัโภชนะได้อะไรอย่างนี้หมายความว่าไงครับหมายถึงในวันทอดกระินในหลังจากวันทอดกรถินแล้วเนี่ยรุญาตอนุ ญ, ญาตให้ได้อ น, นิสงฆ์ต่างๆเราเนี่ย ยีดต่อไปอีกสามสี่เดือนหนึ<ม>่เวลาเราแต่ก่อนอถ้าไม่มีอ น, นิสงส์งตรงนี้เราไปไหนเราจะต้องเอาจีวรไปครบสําหรับแต่นี้เราก็ไม่ต้องเอาไปเช่นว่าเอาสังฆติเก็บไว้ที่วัดของเราได้แล้วก็เดินทางไปเฉพาะอ่าจีวรกระสบงอย่างเงี้ย<ม>อ๋ อ, อแต่ว่า <ไป S 2> อันนี้<ไ>ปเป็นเรื่องเฉพา ะ, พะเป็นเรื่องเฉพาะของพร ะ, ะไปไหนไม่ต้องบอกลาอย่างเงี้ย ถ้าไม่ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อนิสงส์ตรงนี้ไปไหนเราก็ต้องบอกลาภิกษุที่มีอยู่ในอาวัชก็ส่วนคารวะก็คงจะได้อนิสงส์ในลักษณะของการที่ว่าเป็นการลทานทานที่ให้ตามการซึ่งไม่มีในโอกาสทั่วไปนก็ทําให้อาจจะได้เขาเรียกว่าการมีจิตใจจดจ่อมีสมาธิตั้งมั่นว่าต้องเตรียมตัวไว้จะต้องไปทําบุญตรงนั้นอะไรอย่างนี้ไหมคะจิตก็เป็นกุศลอยู่เรื่อยๆ ค่ะ <c oughs> แต่ที่แน่ๆการทําบุญโดยโดยกุศลเจตนาอย่างแท้จริงเต็มใจเนี่ยทางาศาสนาก็าได้บุญอยู่แล้วนะคะได้บุญอยู่แล้วค่ะก็เป็นการให้ความรู้กันถึงเรื่องของการทอดกรถินในครั้งพุทธกาลว่าเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> ว่าแต่ตอนนี้ได้ทองกรถินไปคนละกี่ซองแล้วละคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าพอถึงช่วงเทศกาลนี้ก็จะได้โอกาส ให้เราร่วมทำบุญการทอดกถินเนี่ยมีไหมคะที่ระบุไว้ว่าถ้าญาติโยมทำกันเป็นสามาัคคีจะได้บุญอย่างไรถ้าเป็นขาใหญ่เจ้าเดียวจะได้อย่างไรไม่ไ ม, ไม่ไม่มีระบุก็นี่คือกรณีที่ว่าไม่ไม่จำกัดว่ า, าจะคนเดียวจะหลายคนก็ได้อย่างคุณเจ้ า, าไม่จากัดผู้ถวายค่ะแต่ที่ได้ทราบเป็นความรู้ใหม่ อย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือว่าไม่มีเรื่องของกะถินตกค้างในครั้งพุทธกาลอันนี้ก็อาจจะทำให้หลายๆวัดไม่ต้องรู้สึกผิดที่หายาิโยมทอดกะถิ่นไม่ได้นะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าผิดอะไรอย่างไรคะ่ะเราพูดถึงกันเรื่องบุญแค่พูดถึงก็อิ่ม อ, อกอิ่มใจแล้วนะคะดีกว่าพูดถึงเรื่องบาปเป็นไหนไหน